ส, สเตรกะกานิบาท 1. อัมพชาดกว่าด้วยมนเสกมะม่วงพระราชาตรัสถามคนเฝ้าสวนมะม่วงว่าท่านพรมจารีเมื่อก่อนท่านได้นำผลมะม่วงน้อยใหญ่มาให้เราบัดนี้ผลไม้ทั้งหลายไม่ปรากฏด้วยมนเหล่านั้นของท่านเลยหรือท่านพรามมานบกราบทูลว่าข้าพระองค์กำลังคำนวณการโคจรของดาวฤกษ์ ยังไม่เห็นเลือกยามปรากฏในมนเลยครั้นด้วยการโคจรของดาวเลืกและเลืกยามแล้วข้าพระองค์จกนําผลมะม่วงมากมายมาถวายได้อย่างแน่นอนพระราชาตรัสถามว่าเมื่อก่อนท่านไม่พูดถึงการโคจรของดาวเลืกเลยไม่ได้อ้างถึงเลือกยามเลยได้นําผลมะม่วงที่มีสีงามกลิ่นหอมรสอร่อยจํานวนมากมายมาให้เราด้วยตนเอง แม้เมื่อก่อนด้วยการไรยมนของท่านผลไม้ทั้งหลายก็ปรากฏมีท่านพรามแต่วันนี้ท่านนั้นแม้จะไรยมนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้สำเร็จได้สภาพของท่านนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มานพกราบถูนว่าบุคคลจันทานได้มอบมนให้แก่ข้าพระองค์โดยถูกต้องและบอกสาเหตุที่ทำให้มนเสือ่อมไว้ว่าถ้ามีใครมาถาม ถ, ามถึงชื่อและโคดของเราแล้ว เจ้าอยาปกปิดถ้าปกปิดความจริงมน์ก็จะเสื่อมไปข้าพระองค์นั้นถูกพระองค์ผู้เป็นจอมชนตรัสถามขึ้นในหมู่ชนเกิดความลบหลู่ครอบงำแล้วจึงได้กราบทูลความพลั้งพลาดไปว่ามน์เหล่านี้เป็นของพรามดังนั้นข้าพระองค์มีมน์เสื่อมเสียแล้วจึงเป็นคนน่าสงสารร้องไห้อยู่พระราชาทรงติเตียนมานพนั้นว่า คนผู้ต้องการน้ำหวานพึงได้น้ำหวานจากต้นไม้ใดจะเป็นต้นละหุ่งก็ตามต้นสะเดาก็ตามหรือต้นทองกวาลก็ตามต้นไม้นั้นแหลเป็นต้นไม้ดีที่สุดของเขาบุคคลพึงรู้แจ้งทำจากผู้ใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทารหรือคนเทขยะก็ตามผู้นั้นแหลเป็นคนสูงสุดของเขาท่านทั้งหลายจงทำโทษเคี่ยนตี แล้วจงจับคอเจ้าคนชั่วผู้ที่ยังประโยชน์อันสูงสุดซึ่งตนได้มาแสนยากให้พี่นาฏไปเพราะความเย่อหยิ่งและดูหมิ่นคนใส่หัวออกไปมานกกล่าวขอเรียนมนต์ใหม่กับอาจารย์ว่าบุรุษสำคัญพื้นที่ว่าเรียบพึงตกบ่อตกถ้ำตกเหวตกหลุมรากไม้ผุหรือว่าคนตาบ่อสำคัญว่าเชือกพึงเหยียบงูเห่าเหยียไฟฉันใด ท่านผู้มีปัญญาเพิ่งรับทราบว่าข้าพเจ้าพลั้งพลาดไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันท่านอาจารย์ทราบแล้วจงมอบมนให้แก่ข้าพเจ้าผู้มีมนเสื่อมแล้วอีกเถิดต่อจากนั้นอาจารย์กล่าวว่าเราได้มอบมนให้แก่เจ้าโดยธรรมถึงเจ้าก็เรียนเอาโดยธรรมแม้สาเหตุที่ทําให้มนเสื่อมเราก็เต็มใจบอกแก่เจ้าถ้าเจ้าตั้งอยู่ในธรรมแล้วมนจะไม่เสื่อมเจ้าคนโง่ คนที่มีปัญญาน้อยถึงจะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ในมนุษย์โลกทุกวันนี้ด้วยมนที่ตนได้มาโดยยากได้มาด้วยความลำบากก็จริงแต่เมื่อพูดหลอะแหละก็ทำมนบทนั้นให้เสื่อมไปได้สำหรับเจ้าผู้เป็นคนโง่หลงงมงายอากตันยูพูดเท็จไม่ระมัดระวังเราจะไม่มนทั้งหลายเช่นนั้นอีกมนที่ไหนกันไปเสียเถอเจ้าเราไม่พอใจเจ้าเลย อัมพชาดกที่หนึ่งจบ 2. พันธนะชาดกว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้สเครอหมีได้บอกช่างไม้ว่าท่านผู้เดียวถือขวานเข้ามาถึงป่ายืนอยู่เพื่อนเราถามแล้วท่านจงบอกท่านต้องการจะตัดไม้หรือช่างไม้ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเพื่อนเจ้าเป็นหมีเที่ยวไปยังป่าน้อยใหญ่ ทั้งป่าทึบและป่าโปรง่งเราถามแล้วเจ้าจงบอกไม้อะไรถึงจะแข็งแกร่งสําหรับกงรถมีกล่าวว่าต้นรังก็ดีต้นตะเคียนก็ดีต้นหูกวางก็ดีต้นสีเสียกก็ดีที่ไหนจะแข็งแกร่งแต่ต้นไม้ที่มีนามว่าสครอ้นนั่นสิเป็นไม้ที่แข็งแกร่งสําหรับกงรถช่างไม้ถามว่าก็ต้นสคร้อนั้นใบก็ตาม ลำต้นก็ตามเป็นเช่นไรเพื่อนเราถามแล้วท่านจงตอบเราจะรู้จักต้นสครอได้อย่างไรมีบอกว่าต้นไม้ใดที่กิ่งห้อยน้อมลงมาแต่ไม่หักข้าพเจ้ายืนอยู่ที่โคนต้นไม้ใดต้นไม้นั้นมีนามว่าสครอต้นสคร้อนี้จักเป็นไม้ที่สมควรแก่กิจการของท่านทุกอย่างคือทากรรมก็ได้ล้อก็ได้ดุมก็ได้ งอนไถยก็ได้โกงก็ได้ตัวรถก็ได้พระศาสดาทรงประกาศเรื่องนั้นว่าทันใดนั้นรุกเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นสครา์ก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าถึงข้าพเจ้าก็มีคำที่จะบอกภารัวาชะโปรดฟังคำของข้าพเจ้าท่านจงถลกหนังจากคอหมีสีองคุลีแล้วใช้หุ้มกงรถเมื่อทาเช่นนี้ คงรถจะพึงมั่นคงยิ่งขึ้นถึงรุกเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นสเคราะห์ได้จองเวรแล้วเพียงนั้นได้นําความทุกข์มาให้แก่พวกหมีทั้งที่เกิดแล้วและยังไม่เกิดด้วยประการะชะนี้ด้วยประการดังกล่าวมาชะนี้ไม้สเคราะห์ยุให้คนฆ่าหมีส่วนหมียุให้คนข้ น, น, นต้นสเคราะห์เพราะการวิวาทกันและกันต่างคนต่างยุให้ฆ่ากันและกันคือ พวกมนุษย์เกิดการทะเลาะกันขึ้นที่ใดที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็เปิดเผยความลับเหมือนนกยุงรำแพนและเหมือนหมีกับไม้สกรอเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นตถาคตขอถวายพระพรมหาปิพิตทั้งหลายขอมหาปิพิตทั้งหลายทรงพระเจริญตราบเท่าที่ทรงสมาคมกันณสถานที่นี้ขอทรงเรื่นเริงบันเทิงพระไทยอย่าทรงวิวาทกันอย่าทรงเป็นเหมือนหมีกับไม้สกรอเลย ขอมาหาภพิตทั้งหลายทรงสำเนียกถึงความสมคีนั้นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสันเสริญแล้วบุคคลผู้ยินดีแล้วในความสมคีดำรงอยู่ในธรรมย่อมไม่เสื่อมจากนิพพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะพันธะชาดกที่สองจบ 3. ชวนะหังสชาดกว่าด้วยพยาชวนะหง พระราชาทรงเชื้อเชิญชวณพยาหงโพธิสัตว่าเจ้าจับอยู่ที่ต่างทองนี้แหละพยาหงข้าพเจ้ารักที่จะเห็นท่านท่านมาเป็นเจ้าของสถานที่นี้แล้วสิ่งที่มีอยู่ในพระราชาวนิเวศนี้ท่านไม่รังเกียจจงบอกมาให้เราทราบและทรงขอร้องว่าเพราะการฟังคนบางหมู่จึงเป็นที่รักของคนบางคนเพราะได้เห็น ความพอใจของคนบางคนจึงเสื่อมคลายเพราะได้เห็นและเพราะได้ฟังคนบางหมู่จึงเป็นที่รักเพราะการเห็นท่านรักใคร้ข้าพเจ้าบ้างไหมเพราะการฟังท่านจึงเป็นที่รักของข้าพเจ้าและเป็นที่รักยิ่งเพราะได้มาพบกันพญาหงท่านเป็นที่น่ารักน่าดูอย่างนี้สำหรับข้าพเจ้าขอท่านจงอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าเถิดพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้รับสักการะบูชาอยู่เป็นนิดพึงอยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์แต่บางคราวพระองค์ทรงเมึนเมาจะพึงตรัสว่าจงย่งพญาหงให้เราพระราชาตรัสให้ปฏิญาณว่าหน้าติเตียนจริงการดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นที่พอใจของข้าพเจ้ายิ่งกว่าท่านเอาเถิดข้าพเจ้าจะไม่ดื่มน้ำเมาตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในนิเวศของข้าพเจ้าพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ขอเดชะพระราชาเสียงเหล่าสุนัขจิ้งจอกเห่าหอนก็ดีเสียงเหล่านกร้องขันก็ดีรู้ได้ง่ายส่วนถ้อยคำที่พวกมนุษย์เปล่งออกมารู้ได้ยากกว่านั้นคนบางคนเบื้องต้นเป็นคนใจดีย่อมนับถือกันว่าเป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนอย่างนี้บ้างภายหลังกลายเป็นศัตรูไปก็มีใจจดจ่ออยู่ในผู้ใด ผู้นั้นแม้จะอยู่ไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้ใจเขินห่างจากผู้ใดผู้นั้นแม้จะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลสหายผู้มีจิตเลื่อมใสถึงจะอยู่ยังฟากฝั่งสมุดถ้ามีจิตเลื่อมใสต่อกันก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กันส่วนสหายผู้มีจิตคิดประทุษร้ายถึงจะอยู่ใกล้ถ้ามีจิตคิดประทุษร้ายต่อกันก็ชื่อว่าอยู่ยังฟากฝั่งสมุด ขอเดชะพระองค์ผู้จอมทัพผู้ประดงรัฐให้เจริญศัตรูถึงจะอยู่ร่วมกันก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลกันส่วนบัณฑิตถึงจะอยู่ไกลกันก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เพราะมีใจนึกถึงกันเพราะการอยู่ร่วมกันนานเกินไปคนที่รักกันก็จะกลายเป็นไม่รักกันเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลลาไปก่อนที่จะไม่เป็นที่รักของพระองค์ พระราชาตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าหากการประคองอัญชลีของข้าพเจ้าผู้วิงวอนอยู่อย่างนี้ท่านไม่ทราบและไม่ทำตามคำของข้าพเจ้าผู้ปรนนิบัติอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าโปรดแวะเวียนมาอีกลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอเดชะพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญหากเราทั้งหลายยังอยู่ปกติอย่างนี้ แม้พระองค์และข้าพระองค์ก็จกไม่มีอันตรายวันคืนต่อต่อไปเราคงจะได้พบกันบ้างหรอกชวนะหังสัชาดกที่สาจบ 4. จูละนารทกัสปชาดกว่าด้วยกัสปะดาบทสอนจูละนารทดาบทพระโพธิสัตว์ถามลูกชายว่าฝืนลูกก็ไม่ได้ผ่าน้ำลูกก็ไม่ได้ตัก แม่ไฟลูกก็ไม่ได้ก่อให้โผล่ขึ้นทำไมหนอลูกจึงซบเซาเหมือนคนปัญญาอ่อนดาบทกุมารตอบว่าพ่อกระสปะลูกหมดความพยายามที่จะอยู่ป่าต่อไปขอกราบลาพ่อการอยู่ในป่าลําบากลูกต้องการจะไปยังเมืองพ่อพราหมณ์ลูกไปจากที่นี้แล้วไปอยู่ชนบทใดชนบทหนึ่งพึงศึกษาอาจาระ อันเป็นประเพณีที่ควรศึกษาขอพ่อกรุณาสอนทำนั้นให้ลูกด้วยพระโพธิสัตว์กล่าวว่าถ้าลูกทิ้งป่าและมูลละพลาหารในป่าพอใจการอยู่ในเมืองลูกจงตั้งใจฟังธรรมนั้นจากพ่ออย่าเสพของมีพิษหนึ่งจงเว้นเหวให้ห่างไกลหนึ่งอย่าจมลงในเปลือกตมหนึ่งพึงระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้อสรพิษหนึ่ง ดาบทกุมารเมื่อไม่รู้ความหมายของคำที่พ่อกล่าวโดยย่อจึงถามว่าอะไรหนอคือของมีพิษเหววหรือเปลือกตมสําหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์อะไรที่พ่อกล่าวว่าเป็นอสรพิษลูกถามแล้วขอพ่อจงบอกเรื่องนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ตอบว่าพ่อนารทะของหมักดองในโลกที่เขาเรียกชื่อว่าสุรา ทำใจให้คึกเขิมมีกลิ่นหอมหน่าพอใจมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งสุรานั้นพระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าเป็นของมีพิษสำหรับพรหมจันทร์พ่อนารทะหญิงทั้งหลายในโลกย่อมย่ำยีชายผู้ประมาทแล้วพวกหล่อนย่อมชักจูงจิตของชายหนุ่มไปเหมือนลมพัดปุยนุ่นที่พัดตกจากต้นสภาพนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า เป็นเหวสำหรับพรหมจันทร์ลาบหนึ่งความมีชื่อเสียงหนึ่งสักกระหนึ่งการบูชาในสกุลอื่นๆหนึ่งพ่อนาระทะนี้แหละบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเปลือกตมของพรหมจันทร์พ่อนาระทะพระราชาทั้งหลายทรงมีศัตราวุฒทรงปกครองแผ่นดินนี้พระราชาผู้จอมมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นนั้นเจ้าควรระวังพ่อนาระทะ พระราชาผู้เป็นอิสระเป็นอธิบดีเหล่านั้นเจ้าอย่าอยู่ใกล้ชิดเลยพระราชานี้แหละบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นอสรพิษสำหรับพรหมจันทร์อันหนึ่งคนผู้ต้องการอาหารในเวลาอาหารพึงเข้าไปยังเรือนหลังใดหลังหนึ่งบรรดาเรือนเหล่านี้เจ้าพึงเที่ยวสแสวงหาอาหารในเรือนหลังที่ตนทราบว่าดีงาม ครั้นเข้าไปยังสกุลอื่นเพื่อประโยชน์แก่น้ำหรือโภชนาหารควรขบเคี้ยวบริโภคแต่พอประมาณไม่ควรใฝ่ใจในรูปข้อโคหนึ่งรงสุราหนึ่งนักเลงหนึ่งหอประชุมหนึ่งสถานที่เก็บเงินทองหนึ่งเจ้าจงเว้นให้ห่างไกลเหมือนคนขับยานพาหนะเว้นหนทางที่ครุขระจูละนารทะกัสปะชาดกที่สี่จบ ทูตชาดกว่าด้วยบุคคลผู้เป็นทูตพระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าส่งทูตไปหาท่านซึ่งกําลังเข้าฌานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาพวกเขาถามแล้วท่านก็ไม่ตอบทุกขของท่านนั้นเป็นความลับหรือพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าพระองค์ผู้พดุงรัฐให้เจริญของชาวแคว้นกาสี ถ้าความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่พระองค์พระองค์อย่าตรัสบอกความทุกข์นั้นแก่คนที่ช่วยปลดปลือมพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ผู้ใดพึงช่วยปลดปลื้มให้พ้นส่วนแห่งความทุกข์ที่เกิดแล้วนั้นได้แม้เสี้ยวหนึ่งโดยธรรมผู้นั้นควรบอกให้ทราบโดยแท้ขอเดชะพระราชาเสียงเหล่าสุนัขจิ้งจอกเห่าห้อนก็ดีเสียงเหล่านกร้องขันก็ดีรู้ได้ง่าย ส่วนถ้อยคำที่พวกมนุษย์เปล่งออกมารู้ได้ยากกว่านั้นคนบางคนเบื้องต้นเป็นคนดีย่อมนับถือกันว่าเป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนอย่างนี้บ้างภายหลังกลายเป็นศัตรูไปก็มีคนใดถูกเขาถามถึงความทุกข์ของตนอยู่บ่อยๆพึงบอกให้ทราบในเวลาอันไม่สมควรพวกศัตรูของคนนั้นย่อมพอใจส่วนคนที่หวังประโยชน์ต่อเขาย่อมเป็นทุกข์ ส่วนนักปราตรู้การอันสมควรทราบความมีใจของพวกมีปัญญาเป็นอันเดียวกับตนแล้วพึงบอกความทุกข์อันแรงกล้าแก่คนอื่นชนิดนั้นพึงเปล่งถ้อยคำอันอ่อนหวานมีประโยชน์อันหนึ่งถ้า น, นักปราตรพึงรู้ถึงทุกข์ที่ทนไม่ได้ของตนว่าโลกธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ถึงความสุขเฉพาะเราเท่านั้นหามิได้พึงเพ่งถึงสัจจะหิริและโอตตปะเท่านั้น อดกลั้นความทุกข์อันแรงกล้าเพียงผู้เดียวพระโพธิสัตว์กราบทูลอีกว่าขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์ต้องการทรยบเพื่อให้อาจารย์จึงท่องเที่ยวไปข อ, อยังแว่นแคว้นนิคมและราชธานีต่างๆขอเดชะพระมหาราชผู้ทรงเป็นใหญ่แห่งหมู่ชนข้าพระองค์ได้ขอกับพวกข้าบดีราชบุรุษและพระมหาศาลจึงได้ทองคามาเจ็ดแท่ง ทองคําเหล่านั้นคงข้าพระองค์สูญหายเสียแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงเศร้าโศกมากขอเดชะพระมหาราชคนเหล่านั้นข้าพระองค์คิดไตร่ตรองดูแล้วว่าไม่สามารถจะช่วยปลบเรื่องทุกข์ได้เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่บอกแก่เขาเหล่านั้นขอเดชะพระมหาราชส่วนพระองค์ข้าพระองค์คิดไตรตรองดูแล้วว่าสามารถจะช่วยปลบเรื่องทุกข์ได้ เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสพระคถ า, าสุดท้ายว่าพระราชาผู้พุดุงรัฐให้เจริญของชาวแคว้นกาสีมีพระหฤทัยเลื่อมใสได้พระราชาทานทองคำแท้ๆแก่เขาส4สแท่งทูตชาดกที่หจบ 6. กาลินฆะโพธิชาดกว่าด้วยพระเจ้ากาลินคะ ทรงบูชาโพธิมณฑลพระศาสดาทรงประกาศเรื่องนี้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ากาลิงคะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงพญาช้างแก้วซึ่งมีอนุภาพมากได้เสด็จไปใกล้โพธิพฤกษ์พรามปูโรหิตพารัวาชะชาวกาลิงคะพิจารณาดูภูมิภาคแล้วประคองอัญจชลีเดียกกราบทูลพระราชาพระนามว่ากาลิงคะ ผู้เป็นโอรสของพระดาบทว่าขอเดชะพระมหาราชขอพระองค์เสด็จลงมาเถิดสถานที่นี้เป็นภูมิภาคที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงยกย่องแล้วเพราะสถานที่นี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ล้ำเลิศตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงรุ่งเรืองอยู่ภูมิภาคนี้ต้นยญ้าละดาวันเวียนเป็นทักษณาวัดภูมิภาคนี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งแผ่นดิน ขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์ได้สดับมาดังนี้ภูมิภาคแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นที่โรงรับสรรพสัตว์เป็นแผ่นดินที่มีสาคร ล, ล้อมรอบขอพระองค์เสด็จลงมานมสการเถิดพระเจ้าค่าพญาช้างเหล่าใดถึงจะเป็นช้างแก้วและเกิดในตระกูลสูงพญาช้างเหล่านั้นก็เข้าไปใกล้สถานที่มีประมาณเพียงนั้นไม่ได้ พญาช้างถึงจะเกิดในตระกูลสูงก็จริงขอพระองค์ทรงใส่ยพญยาช้างตัวที่ฝึกแล้วไปเถิดสถานที่มีประมาณเพียงนี้พญาช้างก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้พระเจ้ากาลิคะครั้นทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วทรงใคร่ครวนวาจาของปุโรหิตผู้พยากรณ์แล้วทรงใสยพญาช้างไปด้วยพระดำริว่าเราจะรู้ตามคำที่พราหมณ์นี้พูดจริงหรือ ส่วนพญาช้างที่พระราชาสงสัยไปได้เปล่งเสียงโกนชนาตอันกึกก้องได้ถอยหลังคุกเข่าลงเหมือนไม่สามารถจะนำพาระอันหนักไปได้พราม์ปุโรหิตภารัตวาชะชาวกาลิงคะรู้ว่าพระคชาทานสิ้นชีพเสียแล้วจึงได้รีบกราบทูลพระเจ้ากาลิงคะว่าขอพระองค์เสด็จประทับพระขชาทานเชื่ออื่นเถิด พระคชาทานเชือกนี้สิ้นชีพแล้วพระเจ้าค่าพระเจ้ากาลิงคะครั้นได้สดับคํานั้นแล้วรีบประทับพระคชาทานเชือกอื่นเมื่อพระราชาเสด็จประทับแล้วพระคชาทานก็ลม้มลงบนแผ่นดินณนที่นั่นเองเป็นอันว่าคําของปุโรหิตผู้ถวายพยากรณ์ได้เป็นจริงตามที่ช้างปรากฏแล้วพระเจ้ากาลิงคะได้ตรัสกับพราหมณ์ปุโรหิตกาลิงคะดังนี้ว่า ท่านนั่นแหละเป็นสามพุทธะสัพพัญยูรู้เห็นเหตุทั้งปวงกาลิงคะพรามผู้ไม่ยอมรับคำชมเชยนั้นได้กราบทูลอย่างนี้ว่าความจริงข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนักพยากรณส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสัพพัญยูพระพุทธเจ้าค่าก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นสัพพัญยูและทรงรู้ทุกอย่างหาทรงทราบด้วยสูตรไม่ ส่วนข่าพระองค์ทั้งหลายรู้ได้ด้วยกำลังวิชาอาคมพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างลำดับนั้นพระราชาทรงนำระเบียบดอกไม้และเครื่องรูปไล้ไปบูชาฉลองต้นโพโดยดนตรีต่างๆที่รับสั่งให้ประโคมแล้วเสด็จกลับพระเจ้ากาลีงคะทรงรับสั่งให้เก็บดอกไม้หกหมื่นเล่มเกวีนบูชาโพธิมณฑลสถานอันยอดเยี่ยมทุกวันดังนี้แหล กาลินคะโพธิชาดกที่หจบ 7. อคิติชาดกว่าด้วยอคิติดาบทพระศาสดาทรงประกาศเรื่องนี้ว่าเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งพูดทอดพระเนตรเห็นอคิติดาบทเข้าฌานอยู่จึงตรัสถามว่าท่านมหาพรามพระกุณเจ้าปรารถนาอะไรหรือจึงเข้าฌานอยู่องค์เดียวในเวลาอากาศอบอ้าว พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอถวายพระพรเท้าสักกะการเกิดอีกหนึ่งการที่สริระแตกทำลายหนึ่งการหลงลืมสติตายหนึ่งเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเท้าวาสวะอาตมาจึงเข้าฌานเท้าสักกะถวายพรว่าพระคุณเจ้ากัสปะเพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้าเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิต โยมขอถวายพรแก่พระคุณเจ้าตามที่ใจของท่านปรารถนาพระโพธิสัตว์เมื่อจะรับพรจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงหากมหาปพิธจะประทานพรแก่อัตมานรชนทั้งหลายได้บุตรพัญญาทรัพย์เข้าเปลือกและสิ่งของอันเป็นที่รักแล้วยังไม่อิ่มเพราะความโลภอันใดความโลภอันนั้นขออย่าได้มีอยู่ในอัตมาเลย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 นาสวนเงินโคมา้าและคนผู้เป็นทาสย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะโทสะที่เกิดแล้วอันใดโทสะอันนั้นขออย่าได้มีอยู่ในอาตมาเลยเท้าสกกระดัดว่าเพราะคุณเจ้ากัตริยเพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้าเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิต ย, ยมขอถวายพรแก่พระคุณเจ้าตามที่ใจของท่านปรารถนาพระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ขอถวายพระพรเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงหากมหาประภิธจะประธานพรแก่อัตมาขอให้อัตมาไม่พึงพบเห็นคนพานไม่พึงได้ยินไม่พึงอยู่ร่วมกับคนพานไม่พึงทําการเจรจาปราศัยและไม่พึงพอใจการเจรจาปราศัยกับคนพานเลยเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้ากษัตริยคนพานได้ทําอะไรแก่พระคุณเจ้าหรือ ขอจงบอกเหตุเพราะเหตุไรเพราะคุณเจ้าจึงไม่ต้องการพบเห็นคนพาลพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควแนะนําชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระการแนะนําชั่วเป็นสิ่งที่ประเสริฐสําหรับเขาเขาถูกว่ากล่าวโดยชอบกโกรธคนพาล น, นั้นไม่รู้วินัยการไม่พบเห็นเขาเสียได้เป็นการดี เท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้ากัสปะเพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้าเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิท ย, ยมขอถวายพรแก่พระคุณเจ้าตามที่ใจของท่านปรารถนาพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอถวายพระพรเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งพูดทั้งปวงหากมหาปพิจะประทานพรแก่อัตมาขอให้อัตมาพึงได้พบพึงได้ยิน พึงได้อยู่ร่วมกับนักปราดพึงได้เจรจาปราศัยและพอใจการเจรจาปราศัยกับนักปราดเถิดท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้ากับสปะนักปราดได้ทำอะไรแก่พระคุณเจ้าหรือขอจงบอกเหตุเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงต้องการพบเห็นนักปราดพระโพธิสัตว์กราบทูลว่านักปราดผู้มีปัญญาย่อมแนะนาสิ่งที่ควรแนะนา ไม่ชักชนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระการแนะนำดีเป็นสิ่งประเสริฐของเขาเขาถูกว่ากล่าวโดยชอบก็ไม่โกรธนักปราตนั้นรู้วินัยการสมาคมกับท่านเป็นการดีท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้ากัสปะเพราะถ้อยคำที่พระคุณเจ้าเจรจานั้นไพเราะเหมาะสมเป็นสุภาษิตยมขอถวายพรแก่พระคุณเจ้าตามที่ใจของท่านปรารถนา พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอถวายพระพรเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงหากมหาปพิธจะประทานพรแก่อาตมาเมื่อราตรีนั้นสิ้นไปในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นขอพักษาอันเป็นทิพย์และยาจกผู้มีศีลพึงปรากฏขอถวายพระพรเมื่ออาตมาให้อยู่ขอพักษาอย่าพึงหมดสิ้นไปครั้นให้แล้วขออาตมาอย่าพึงเดือดร้อนในภายหลัง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 ขอมหาประพิธยาเสด็จมหาอาตมาอีกเลยเท้าสกกะระดัสว่านรชนชายหญิงทั้งหลายหวังอย่างยิ่งที่จะพบโยมด้วยการบำเพ็ญจริยวัรเป็นอันมากในการเห็นโยมน่ากลัวนักหรือพระโพธิสัตว์กราบทูลว่ามหาประพิธผู้มีวันนะเหมือนวั น, นะแห่งเทพบรรดาลความใคร่ทั้งปวงให้สำเร็จได้เช่นนั้นอาตมาพบเห็นแล้วพึงประมาทการบำเพ็ญตบะ สิ่งนั้นจึงเป็นภัยแก่อัตมาเพราะการพบเห็นมหาบพิษอคิติชาดกที่เจจบ 8. ตาการิยชาดกว่าด้วยตาการิยมานบเตือนอาจารย์ปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์สนทนากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสิทธว่าพ่อตาการิยฉันนั่นแหละเป็นคนโง่พูดคำชั่ว เหมือนกบที่อยู่ในป่าเรียกหางูมากินตัวเองจะต้องตกไปยังหลุมนี้การพูดเกินขอบเขตไม่ดีเลยพระโพธิสัตว์กล่าวว่าคนผู้พูดเกินขอบเขตย่อมประสบการจองจาการถูกฆ่าและความโศกเศร้าคร่ำครวญท่านอาจารย์ท่านควรตําหนิตนเองตามเหตุที่คนทั้งหลายจะฝังท่านลงในหลุมลูกชายเศรษฐีกล่าวว่า เราไปถามตุนทิละทำไมนางกาลีนี้สิควรทำกับน้องชายหล่อนเองเราถูกแย่งเสื้อผ้าและกลายเป็นชียเปลือยไปแม้เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องของท่านอาจารย์มากพระโพธิสัตว์แสดงเหตุอื่นอีกว่านกกุลิงคาตัวเองไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยแต่ไปบินอยู่ระหว่างแกะที่กำลังขวิดกันจึงถูกขัวแกะทั้งสองบดคยี้ท่ากลางอากาศนั้น แม้เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องของท่านอาจารย์มากคนสี่คนเมื่อจะช่วยเหลือคนเพียงคนเดียวจึงพากันจับชายผ้าพวกเขาทั้งหมดสี่คนจึงพากันศีรษะแตกนอนตายไปแม้เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องของท่านอาจารย์มากอุปมาเหมือนแม่แพะที่เขาผูกไว้ที่พุ่มกอไผ่คือขนองดีเท้าไปกระทบมีดดาบจึงถูกเขาใช้มีดดาบเล่มนั้นเชือดคอของมัน แม้เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องของท่านอาจารย์มากพระราชาทรงกลิ้วต่อนายพรานจึงตรัสว่ากินนอนเหล่านี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันเทพบุตรเป็นสัตว์พวกเนื้อตกอยู่ในอำนาจของเราพวกเจ้าจงแย่งมันตัวหนึ่งในเวลาอาหารมื้อเย็นอีกตัวหนึ่งจงแยกมันในเวลาอาหารมื้อเช้าต่อไปกินรีรู้ว่าพระราชาทรงกลิ้วจึงกราบทูลว่า คำทุพาสิทธ์นับแสนคำก็ไม่ถึงแม้เสี้ยวหนึ่งแห่งคำสุภาษิทธ์กินนอนรังเกียจคำทุพาสิทธ์จึงเศร้าหมองเพราะเหตุนั้นพวกกินนอนจึงนิ่งเฉยมิใช่เพราะความโง่เขลาพระราชาทรงยินดีแล้วตรัสว่ากินนอนตัวนี้พูดกับเราแล้วพวกเจ้าจงปล่อยมันไปและจงนามันไปยังภูเขาหิมพานส่วนตัวนี้เจ้าจงให้ไว้ที่ห้องครัวใหญ่ และย่างมันในเวลาอาหารมื้อเช้าแต่เช้าตรู่กินนอนได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าปศุสัตว์ทั้งหลายมีเมฆฝนเป็นที่พึ่งประชาชนนี้มีปศุสัตว์เป็นที่พึ่งข้าแต่พระมหาราชพระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของพัญญาของข้าพระองค์ระวางข้าพระองค์ทั้งสองตัวหนึ่งรู้ว่าอีกตัวหนึ่งตายแล้ว ตนพ้นความตายแล้วจึงจะบินไปสู่ภูเขาขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนคนจะพึงหลีกเว้นจากการนินทาได้โดยง่ายข้อหาไม่คนที่ควรครบหาก็มีฉันทะต่างๆกันคนหนึ่งได้รับการยกย่องด้วยคุณธรรมข้อใดคุณธรรมข้อนั้นแหละคนอื่นกลับได้รับการนินทาสัตว์โลกทั้งหลายมีจิตสามบ้างประนีตบ้างสัตว์โลกทั้งปวงชื่อว่า มีความคิดก็เพราะจิตของตนสัตว์ทุกตัวตนในโลกนี้ล้วนมีจิตเป็นของตนเองจึงไม่ควรยอมอยู่ในอำนาจแห่งจิตของใครๆพระราชาทรงสมนัสแล้วจึงตรัสว่ากินนอนพร้อมทั้งพัญญาได้นิ่งอยู่บัดนี้กินนอนตนใดกลัวภัยจึงพูดกินนอนตนนั้นพ้นภัยแล้วมีความสุขไม่มีโรคนับว่าการพูดมีประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายโดยแท้ ต ก, การิยะชาดกที่8ดจบเก้ 9. รุรุมิขาราชาชาดกว่าด้วยน้ำใจของพญาเนื้อรุรุพระราชาตรัสว่าเราจะให้บ้านสวยและเหล่านารีที่ประดับตกแต่งแล้วแก่คนผู้บอกกล่าวถึงพญาเนื้อตัวประเสริฐกว่าเนื้อทั้งหลายแก่เราบรศเศษฐีกราบทูลว่าขอพระองค์ประทานบ้านสวยและเหล่านารี ที่ประดับตกแต่งแล้วแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกราบทูลถึงพญาเนื้อตัวประเสริฐกว่านเนื้อทั้งหลายต่อพระองค์เมื่อจะบอกที่อยู่ของพญาเนื้อจึงกราบทูลว่าณไพรสนแห่งนั้นต้นมะม่วงและต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งภูมิภาคปกคลุมไปด้วยตินาชาติมีสีแดงเหมือนปีกมแมลงค่อมทองพญาเนื้อตัวนั้นอยู่ณไพรสนแห่งนี้ พระศาสดาทรงประกาศเรื่องนั้นว่าพระราชาทรงกงธนูสอดใส่ลูกศรเสด็จเข้าไปใกล้ส่วนพญาเนื้อเห็นพระราชาแล้วจึงร้องกราบทูลแต่ไกลว่าทรงหยุดก่อนพระมหาราชผู้จอมทัพอย่าเพิ่งทรงยิงฆ้าพระองค์ใครหนอกราบทูลเรื่องนี้แสพระองค์ว่าพญาเนื้อตัวนั้นอยู่ณไพรสนแห่งนี้พระราชาตรัสว่า เจ้าคนที่ประพฤติเลวซามยืนอยู่ห่างๆนั่นเพื่อนก็เขานั่นแหละได้บอกเรื่องนี้แก่เราว่าเนื้อตัวนั้นอยู่ณไพรสนแห่งนี้พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าได้ยินว่าคนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่าไม้ลอยน้ำยังดีวกว่าส่วนคนบางคนที่ประทุษร้ายมิตรไม่ดีเลยพระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่า นี่พญาเนื้อรุรุเจ้าติเตียนหมูเนื้อหรือหมูนกก็หรือติเตียนหมูมนุษย์เพราะภัยอันใหญ่หลวงจะมาต้องเราเพราะได้ฟังเจ้าพูดภาษามนุษย์พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์ได้ช่วยผู้ใดซึ่งถูกน้ำพัดมาในห้วงน้ำที่มีน้ำมากมีกระแสเชี่ยวกรากขึ้นมาัายมาถึงข้าพระองค์เพราะผู้นั้นเป็นเหตุ การสมาคมกับคนชั่วเป็นทุกข์พระราชาทรงกริวบุตรเศรษฐีจึงตรัสว่าเรานั้นจะปล่อยลูกสอนสี่ปีกดอกนี้แหวกอากาศไปเจาะแร่งเสียบตรงหัวใจเราจะฆ่ามันผู้ประทุษร้ายมิตรทากิจที่ไม่ควรทำซึ่งไม่รู้จักคนผู้ทำคุณไว้เช่นนั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนผู้ทรงพระปีชา การฆ่าคนชั่วนั้นสัตว์ปรุษทั้งหลายไม่สรรเสริญขอคนผู้มีธรรมชั่วช้าจงกลับไปบ้านได้ตามความปรารถนาและขอพระองค์ทรงพระราชทานสิ่งที่พระองค์ตรัสพระราชทานไวแก่เขาเถิดและข้าพระองค์จะกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาพระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์แล้วตรัสว่าพญาเนื้อรุร่งเจ้าไม่ประทุษร้ายต่อคนผู้ประทุษร้าย แถมยังปล่อยให้คนชั่วช้ากลับไปบ้านได้ตามสบายนับว่าเป็นผู้หนึ่งในบรรดาสับ ป, ปรุทั้งหลายแน่นอนเราจะให้สิ่งที่ได้พูดว่าจะให้แก่เขาและจะให้เจ้าเที่ยวไปตามความพอใจด้วยลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะลองอย่างพระไทยพระราชาจึงเด้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชาเสียงเหล่าสุนัขจิ้งจอกเห่าฮอนก็ดีเสียงเหล่านกร้องขันก็ดี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 ขอพระองค์ผู้สมติเทพจงทรงห้ามหมูเนื้อนั้นพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าชนบทจงอย่ามีและแม้เว่นแคว้นจงพินาศไปก็ตามทีส่วนเราให้อภัยทานแล้วจะไม่ประทุษร้ายพญาเนื้อรุ่งๆอย่างเด็ดขาดชนบทของเราจงอย่ามีและเว่นแคว้นของเราจงพินาศไปส่วนเราให้พรแก่พยาเนื้อแล้ว จะไม่พูดมุสาเด็ดขาดรุรุรมิคราชาชาดกที่เกจบ 10. โสระมิฆชาดกว่าด้วยละมั่งทำคุณแก่พระราชาพระเจ้าพรหมทัตมีพระทัยปียมด้วยปีติทรงเปล่งอุทานว่าเป็นคนต้องหวังร่ำไปคนฉลาดไม่ควรทอแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้น เป็นคนต้องหวังร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างถูกเขาช่วยให้ขึ้นจากน้ำมาบนบกได้เป็นคนต้องพยายามร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างปรารถนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเป็นคนต้องพยายามร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่าง ภูเขาช่วยขึ้นจากนะ้ำมาบนบกได้คนมีปัญญาแม้จะตกอยู่ในความทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อจะบรรลุถึงความสุขเพราะว่าสัมผัสมีอยู่มากมายทั้งที่ไม่มีประโยชน์และมีประโยชน์ถึงจะไม่นึกคิดก็ต้องถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดแล้วเป็นไปได้ก็มีสิ่งที่คิดแล้วพินาศไปก็มีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โควคาทั้งหลายสําเร็จได้เพราะความคิดไม่มีเลยพราหมณปุโรหิตถวายพระพรชัยแล้วเรียกราบทุลว่าละมั่งตัวใดพระองค์ติดตามไปจนถึงซอกเขาในตอนแรกเพราะอาศัยความบากบันของละมั่งตัวนั้นซึ่งมีจิตไม่ย่อท้อพระองค์จึงยังทรงพระชนอยู่ได้ละมั่งตัวใดพยายามใช้ก้อนหินถมช่วยพระองค์ขึ้นมาจากเข็มที่ขึ้นได้แสนยาก และปลดเปลื้องพระองค์ผู้ทรงระทมทุกจากปากพญามาจุราชพระองค์คงจะทรงรับสั่งถึงละมั่งตัวมีจิตไม่ย่อท้อตัวนั้นแหละพระราชาตรัสว่าเวลานั้นท่านได้อยู่ณที่นั้นเหมือนกันหรือหรือว่าใครบอกเรื่องนั้นแก่ท่านท่านเห็นทุกอย่างหรือจึงเปิดเผย เ, เรื่องนั้นได้ยานของท่านมีกำลังมากจริงนะพราหมณ์พราหมณ์มปโรหิตเมื่อจะชี้แจงจึงกราบทูลว่า เวลานั้นข่าพระองค์ได้อยู่ณนะที่นั้นด้วยก็หาไม่แม้เมื่อใครจะบอกเรื่องนั้นๆแก่ข้าพระองค์ก็หาไม่ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนปราทั้งหลายประมวลเนื้อความแห่งบทคาถาสุภาษิตนั้นมาต่อมาเท้าสักกะทรงสิงในสริระของพรามปุโรหิตแล้วได้ตรัสกับพระราชาว่าพระองค์ทรงสอนลูกสอนมีปี ซึ่งจะฆ่าได้ด้วยความเพียรของผู้อื่นไว้ที่แล้งแล้วทาไมยังทรงลังเลอยู่เล่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระปัญญาอันประเสริฐขอลูกศรที่แล่นออกจากแล้งไปจงฆ่าละมังโดยเร็วเถิดเพราะว่าเนื้อละมังนั่นเป็นภาษาของพระราชาลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าข้อนั้นถึงเราจะรู้อย่างชัดแจ้งว่า เนื้อเป็นพระกระยาหารของกษัตริย์ก็จริงพราหมณ์แต่เราเมื่อจะอ่อนน้อมบูชาคุณที่ละมั่งตัวนี้ได้ทำไว้แก่เราในการก่อนเพราะเหตุนั้นจึงไม่ฆ่าเนื้อละมั่งเท้าสักกรตรัสว่าพระมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศนั่นไม่ใช่เนื้อนั่นคือเท้าสักกะผู้ยิ่งใหญ่กว่าอสูรพระองค์ผู้จอมมนุษย์ขอพระองค์ทรงประหารเท้าสักกะนั่น แล้วเป็นจอมเทพเสียเองขอเดชะพระมหาราชผู้ประเสริฐกว่าคนกล้าหาญถ้าพระองค์ยังทรงลังเลที่จะฆ่าเนื้อละมั่งผู้สหายอยู่พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจะต้องตกเวตรณีนรกของพญายมพระราชาตรัสว่าเราและชาวชนบทก็ดีลูกเมียและหมูสหายก็ดี จะต้องตกเวตระนีในรกของพญายมก็ตามทีเราก็ไม่ควรจะฆ่าผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราเลยเนื้อตัวนี้ทำคุณแก่เราผู้กำลังตกยากอยู่คนเดียวในป่าเปลี่ยวอันแสนทารุณเราเมื่อรลกถึงบุพการีที่เนื้อตัวนี้ได้กระทําไว้เช่นนั้นทั้งที่รู้อยู่จะพึงฆ่าลงได้อย่างไรท่านมหาพรามลำดับนั้นเท้าสักกะทรงประกาศคุณของพระราชาว่า พระองค์ทรงโปรดปรานผู้เป็นมิตรขอทรงมีพระชนชีพยืนนานเถิดขอทรงดำรงอยู่ในคุณธรรมปกครองรัฐศีมานิเถิดพระองค์ผู้มีหมู่นารีบำเร อ, อยู่จงบันเทิงพระหฤทัยในแว่นแคว้นดังเช่นเท้าวาสวะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงขอพระองค์อย่าทรงพิโรธมีพระหฤทัยพองใสอยู่เป็นนิจทรงต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งปวง จงบำเพ็ญทานบ้างสวยเองบ้างตามอนุภาพจงอย่าทรงถูกชาวโลกนินทาสเสด็จสู่แดนสวนรรค์เถิดโซรภาพมิฆชาดกที่10บจบรวมชาดกที่มีในนิบาทนี้คือ 1. อัมพชาดก 2. พันธะนชาดก 3. ชวณะหังสะชาดก 4. จูละนารทะกัสปะชาดก 5. ้ทูตชาดก 6. กาลิยฆโพธิชาดก 7. อกิติชาดก 8. ตาการิยชาดก 9. ้รุรุมิฆราชาชาดก 10. สระภมิคะชาดกเตรสกะนิบาตจบ